ท่านพระเทวราุเทรรากทุกครูขอเจริญพรท่านพลตระเอกอัศวินขวัญเมืองบ่วาราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครและท่านสาธุชนทุกท่าน ต่อจากนี้ในเวลาอันไม่นานนักเราก็จะย่างเข้าสู่ปีใหม่ตามคติสาคกซึ่งการย่างเข้าสู่ศักราชใหม่พุทธศักราช2561 มีความสำคัญต่อชีวิตของคนเราเมื่อถึงปีใหม่หมเราก็จะระลึกนึกถึงว่ า, วาชีวิตผ่านมา1ึงปีแล้ ว, ลวกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่สักกรารใหม่เราได้ทำอะไร ที่ภาคภูมิใจเป็นความดีงามในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่และเราจะเริ่มปีใหม่ให้มันสดใสงดงามกว่าปีเก่าได้อย่างไรทุกคนก็มีความหวังความตั้งใจอันนั้นและเมื่อมาถึงศักรัชใหม่เช่นนี้เราก็ทำหน้าที่ สองประการหนึ่งคือการเหลียวหลังสองคือการแหลหน้าเหลียวหลังคือมองกลับไปในสักราชที่กำลังจัดหมดไปเป็นการส่งท้ายปีเก่าว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาถ้าทำงบดุลแล้ว มีกำไรหรือขาดทุนทำบุญกุศลมากกว่าความดีความมีงามมากกว่าบาปอกุศลหรือไม่ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสมกับที่เราได้ตั้งใจหรือเปล่าเป็นการตรวจสอบชีวิตที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็แลไปข้างหน้าในปีใหม่ ว่าเราจะดำเนินชีวิตให้มันดีกว่าเก่าได้อย่างไรช่วงเวลานี้ในอีกชั่วโมงเศษนี้เป็นการเหลียวหลังก่อนที่จะย่างเข้าสู่ศักระษใหม่ตามคติสาคอนซึ่งทั่วโลกเขาก็ทำกัน โดยตั้งชื่อเดือนแรกในปีใหม่ว่า j a n นิวรเราแปลว่าเดือนมกราคม j จน u ิวรเกี่ยวกับเท พ, พเจ้าของกรีกโรมันชื่อว่าเจเนสเป็นเทพเฝ้าประตูสวรรค์ใครจะขึ้นสวรรค์หรือจะตกจากสวรรค์ ต้องผ่านประตูนี้เทพเจนัสจึงมองคนที่จะขึ้นสวรรค์และมองคนที่จะลงจากสวรรค์เหลียวไปเหลียวมาจนเมื่อยขอเทพสูงสุดแห่งสวรรค์เกรกเรียกว่าซุสโรมันเรียกว่าจูปิเตอร์เกิดความสงสาร เึงเซให้เทพเจนัสมีสองหน้าหน้าหนึ่งก็เหมือนหน้าของมนุษย์ทั่วไปอีกหน้าหนึ่งก็เกิดงอกขึ้นทางศรีศรษะด้านหลังเวลาดูภาพของเจนัสจึงมีสองหน้าและก็หันไปคนละด้านด้านหนึ่งดูผู้ขึ้นสวรรค์ ด้านหนึ่งดูผู้ลงจากสวัสดิ์มือถือกุญแจคอยเปิดประตูะตนั่นคือเทพประจำเดือนแจนนิรี่หรือมกราคมคติธรรมก็คือให้มองกลับข้างหลังสำรวจชีวิตที่ผ่านมาและให้มองไปข้างหน้าด้วยความหวังที่จะเริ่มชีวิตใหม่ปีใหม่ ให้มันสดใสงดงามกว่าเก่าเรียกว่าทำหน้าที่ทั้งสองประการเรามองส่วนที่เป็นอดีตมีอะไรไม่ดีจะได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อกลับจิตกลับใจกลับกายกับตัวกลับหางกับหัวเปลี่ยนชั่วให้เป็นดีและในขณะเดียวกัน ก็เดินไปข้างหน้าสู่ชีวิตใหม่อันมีความวัฒนาสถาพรและทำอย่างไรจะให้ชีวิตใหม่จเจริญรุ่งเรืองโดยทิ้งสิ่งที่ไม่ดีงามไว้ข้างหลังไม่ให้ตามเราไปเราก็ทำเวลานี้ช่วงนี้ให้เป็นสิริมงคลพาสิทธิ์เขาบอกว่า การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเราจะเริ่มกิจการงานใดๆเราก็จะต้องมีการทำเวลานั้นให้เป็นสริมงคลปีใหม่ที่จะมาถึงเราทำให้เป็นเวลาที่เป็นมงคลด้วยการทำความดีร่วมกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเราจะนำมาส่วนในบทหนึ่งก็คือคำว่าสุมุตสุขโนสุโบุตตเป็นต้นซึ่งหมายความว่าทำดีเวลาไหนขณะที่ทำดีนั้นก็เป็นสุขโนคือขนาดที่ดีเป็นเรื่อดีเป็นยามดี เป็นสิริมงคลวันนี้เรามาปรกเสกเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นสิริมงคลร่วมกันด้วยการอัญเชิญบทพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์มาสาธยายพร้อมกันไม่ได้สวดคนเดียวนิมนต์พระสงฆ์ มาสาธยายร่วมกับท่านทั้งหลายอธิษฐานจิตในขณะที่สวดมนต์ให้สอดคล้องกับพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ระบทได้คัดสรรมาสวดพร้อมกันในวันนี้โดยทั่วไปเมื่อนิมนพระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลพระสงฆ์ท่านก็สวดบทพุทธมนต์จากพระไตรปิฎกนั่นแหละซึ่งเป็นการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บทที่ท่านคัดสรรมานั้นเลือกเฉพาะที่เป็นพรเป็นสิริมงคลไม่ได้นําพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสวดทั้งหมด มิฉะนั้นแล้วจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือ น, น, อนโบราณอาจารย์ท่านเลือกสังทบทสําสำคัญสำคัญถ้าเจ็บบทที่สำคัญเรียกว่าเจ็บตำนา น, น, านถ้าเป็นบทที่สำคัญ12บสองบทนนเรียกว่าส2บสองตำนานตำนานมาจากคำภาษาบาลีว่าตานะ แปลว่าต้านทานคุ้มครองป้องกันเวลาที่เรานิมนต์ให้พระสวดจะเป็นเจดตำนานหรือส2บสองตำนานหัวหน้าศาสนพิธีกรจะอาราธนาพระปริษปริศต์คือชื่อรวมของบทสวดมนกันศักดิ์สิทิ์ มีพลังที่เป็นปริตะแปลว่าป้องกันคุ้มครองป้องกันฉะนั้นเวลาที่พระสวดมนต์ก็มีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองป้องกันตามบทอาราธนาพระปริษที่ศาสนพิธีกรอาราธนาด้วยคำว่า วิปติปติภาหายะเป็นต้นซึ่งแปลว่าขอท่านทั้งหลายได้สาธยายบทพุทธมอันเป็นพระปริตคือเครื่องคุ้มครองป้องกันด้วยวัตถุประสงค์ห้าประการวัตถุประสงค์ห้าประการนี้ ก็คือวัตถุประสงค์ที่เรามาสวดเงินสวดมนต์นนข้ามปีร่วมกันในขณะนี้ให้ท่านอธิษฐานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ห้าประการร่วมกันในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ห้าประการก็คือหนึ่งวิ ปฏิปฏิภาหายักเพื่อกำจัดภัยพิบัติทั้งปวงอย่าให้มากล้ำกลายเราในปีใหม่และต่อๆไปสัมพัมปฏิสิทธิยาเพื่อความสำเร็จแห่งควา ม, วามปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเป็นสิ่งดีงามใด ๆ, ใดๆก็ให้พลันสำเร็จด้วยอานุภาสแห่งบทพุทธมดตนั้นนี่นนเป็นข้อที่สองข้อที่สามสัพพทุกขะวินาายักขอให้ความทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจได้ หายไปพ้นไปและประการที่ 4, สี่สัพพะพยะวินาศายักษ์ภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติอุบัติภัยอุบัติเหตุและภัยจากสัตว์จากคนหรือ ใดๆก็ตามอย่าได้มากั้มกลายประการที่หสัพพโรคะวินาสายักโรคภัยทั้งปวงถ้ามีถ้าเป็นก็ให้หายไปและอย่าได้มากั้ำกลายชีวิตของเราให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็งนี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เรามาชุมนุมสาธยายบทพุทธมนตร์ร่วมกันเพื่อป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงเพื่อความสำเร็จแห่งสิ่งดีงามต่อไปกําจัด ทุกโศกรโรคภัยอุปัตต์ทวันตรายทั้งหลายทั้งปว่วงและเนื่องจากพุทธมนเหล่านี้พระเจ้าได้ประทานไว้และนำพระสงฆ์ในพุทธกาลสมัยโน้นก็ได้สาธยายให้เกิดผลที่พึงปรารถนาดังกล่าวมาจิตที่ผ่องใสที่บริสุทธิ์บว ก, กับพุทธมนอันศักสิทธ ร้อร้อยใจทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นหนึ่ ง, นนงก็จะเกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์สวนพร้อมกันไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้หน้าที่ว่าการกรุงเทพมหานครเท่านั้นทั้งประเทศทุกวัดในกรุงเทพและต่างจังหวัดร้อยรวมใจเป็นหนึ่ง สวดพระพุทธมนต์ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาพร้อมกับและได้ทราบว่าปีนี้ชาวพุทธทั่วโลกประสานกับประเทศไทยสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเวลาของประเทศนั้ น, น, น กลายเป็นว่ากะระแสอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนต์เป็นเหมือนตาข่ายของพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้โลกใบนี้ให้ประเทศนี้อันเป็นที่รักของเราปราศจากทุกสกโรคภัยอุปสรรตรายทั้งปวง และนำมาซึ่งความสุขความสงบสถาพรเริ่มต้นจากชีวิตของแต่ละคนที่มาชุมนุมนักที่นี้พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัว เราเองก่อนฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายอำนวยพรให้ตนเองตามด้วยแก่คนอันเป็นที่รักแก่คนทุกคนแก่คนไทยและชาวโลกด้วยการสาธยายพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันต่อไปนี้ก่อนจะเริ่มพิธี สวดมนข้ามปีตามคติที่ปฏิบัติมาก็จะมีการอัญเชิญเทพเ <Finished. S 1> ทวดาทุกชั้นฟ้ามาชุมนุมนักที่นี้เพื่อฟังบทพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เราเรียกว่าชุมนุมเทวดาโดยพระสค์รูปหนึ่ง จะเป็นผู้แทนของคณะพวกเรากล่าวอัญเชิญเทพยดาฟ้าดินด้วยคำว่าสักเคนั่นเองเพราะฉะนั้นขออาราธนาผู้แทนพระสงฆ์นักทีน่นี้ท่านอาจารย <ท rund. S 1> ์สวีบได้ชมนมขัดสักเคชมนมเทวดา <America. S 1> เป็นประถมมเริก นักบัตรนี้ ปกติเวลาทาวัดสวดมนต์ประธานสงฆ์จะเป็นคนบอกว่าต่อไปนี้จะสวดบทอะไรบ้างโดยทั่วไปท่านจะบอกเป็นภาษาบาลีเริ่มต้นด้วยคำว่าหันทะมัยังหันทะแปลว่าเชิญ ม่ยังคือเราทั้งหลายเชิญพวกเราทั้งหลา ย, ลายสวดบทนั้นบทนี้เช่บนบทแรกท่านจะประธานจะ ก, กล่าวเป็นภาษาบลาลีว่าหันธามายังพุทธศะพควโตปุกภาพาคานมาการังกะโรมัสเส และที่ประชุมก็จะสวดพร้อมกันเพราะรู้ว่าหมายถึงบทอะไรแต่สมัยนี้ประธานสงฆ์จะนำเป็นภาษาไทยมิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าบทไหนเช่นคำว่าหันทามยังพุทธสาพระวะโตปุ พ, พฺภะภาคนมการัง แปลว่าต่อ น, นี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายสวดบทน้มการพระพุทธคุณเป็นบทเริ่มต้นคือบุคคภ า, พานั่นก็คือตั้งน้ำโมน้โมก็คือน้ำการพระพุทธคุณก็คือคุณทั้งสามของพระพุทธเจ้าพุทธ ทัศนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระคาวะโตหมายถึงจำเนกธรรมกรุณาคุณอระหะโตไกลจากกิเลสหมายถึงวิสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธัสสะตัดสรู้โดยชอบด้วยโลกเองหมายถึงพระปัญญาคุณ ตั้งนโมก็คือนามส ก, การพระพุทธคุณสามพร้อมกันกับพระสงฆ์นักบัณนี้ น, น, น, นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสามพุททายายนโมตัณ สัพพะวายต้ยอระหิตุยสามมาสามพุททามทนามพัตสัพพะวายตุยอระหิตุยสามมาสามพุ ทสพุทธทานสาร น, าาานันทามีธัมมสารนันทานาทางสารนันทาน มิทุติยังเปโนทังพระนางทานชามิทุติยังเปถามังสารนาง เมตติยามเปี่งนทางสารนังทานเมตติยามเปพ้ทางสารนันม่ตาติยามปีธมมาสารนังทานไม่ตาติยามเปส่างคังสารนังทานไม เพื่อให้พิธีอันศักสิทธิ์สำเร็จรูปร่วงไปด้วยดีก็จะอัญเชิญบรารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตมาปัดเป่ากำจัดอันตรายหรืออุปสรรคในพิธีนี้ต่อไปด้วยบทนมการสิทธิคาถา หมายถึงบทที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในพิธีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนามส ก, การพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตซึ่งจะลงท้ายว่าสัพพันตรายาปิววนัสสันตุอเสสโตอันตรายทั้งปวงขอให้พินาศไป โดยไม่เหลือใดๆด้วยอำ น, นาจแห่งบรารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งเริ่มด้วยคำว่าสัมพุทเท สำพูดเทอาทเวียนจะทวาทสารจะสหาสเก็บปันจะสตาสหัสสันลินามามมเสลาสาัหันเตสางธรรมานจะสังทันจะไยทเรนานามาไมหังนมากา ราโนภาเวนหันตะวันเพรโอปันทเวกันตารยาเปวนาสังโตอาศะโตสามโพเทปันจจปันสันจะจตเวสติเตสาน าสาสศตสาหาสานินามิสรัสาสาอาหารเตี่ยสังทามจสังทันจายทาเรีนามามิหันนามกัมาามารายาโนภาเว สัพเพโอปายทเวเนกันตรารยาเววินาสันโตเซสโตสามพุทธนาวม ตาระสัตเตอาทจัเลี ส, ะสะหาสเกเวยส ต, สตสสามามิสัสหัสสินนามมิสิไรสอาหารเตยสังธรรมบัาสังธรรมทะเลดานามมิอันนามกายไรูกปาเวียน ตวายสัพเพปันทเวกการันตรารยเววินาสันโตเซาสาตโตพระพุทธมรนั้นศักิเสร็จอยู่แล้วแต่จะศักิเสร็จยิ่งขึ้นถ้าผู้ที่อัญเชิญมาสาธยาย คือเราท่านทั้งหลายณที่นี้รวมใจกันเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขันตามีสมาธิคือปักใจมั่นกับบทสวดม่อนมีสติคือไม่วอกแวกไม่ใจลอยไปที่อื่นทันปัจจุบันคือบทสวดทุกวลีทุกประโยค เราจะสาธยายพร้อมกันทำให้พุทธมตฑนั้นมีพลานุภาคบทที่จะสวดต่อ น, นี้ไปเรียกว่าณนะโมการะอัฏกะคาฐานหมายถึงนกโมแปดบทคือแปดครั้งณนะโมบทนี้สรุปรวมเอา พรัตนตรัยเป็นคาถาสั้นๆว่าโอมสระโ อ, อมออออมอมเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ย่อมาจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ ม, มาโอมมาจากคำว่าอามคืออรหัน อูหมายถึงอุดอมมาธรรมมะคือมหาสงซึ่งเป็นนมโมที่เราจะสวดต่อ น, นี้ไปอูะอมะรวมย่อว่าโอมฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายสวดบทโอมพร้อมกันเรียกว่านามโมแปบทเพื่อทำให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ทำพิธี ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะสวดมนต์ต่อไปนี้นโะโมอราห์ตยสามล้าสามโอยไทยสา ม, มะเฮโนยนะโมโอย สามทานสาสวัทาตาติเศวติอนิทานโมยมาหาสาิเปวศนทานสิลาเทนติโดย น, นาโมมาทยาห สารตา น, นานยาสาสายทุกการโหมอุนกายเตียตายสีตา ย, ายถหวถอยใจยสาสิน้โมกายรัปรพาเวียนาวิย น, นอปปันทาวายนาบ่อยการังลูกพา ใ น, นสุวรรณสาบไา่ไทยน้ำมอยกานส่ตี๋เชียนเข็มเหหัวไม่แตกชักวันวเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นสิริมงคลเพื่อให้มงคลคือเฮแห่งความเจริญ38ประการ ติดตามชีวิตเราไปสู่ปีใหม่เราท่านทั้งหลายจะได้อัญเชิญมงคลละสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยมงคลคือเหตุแห่งความเจริญมิว่าทำการสิ่งใดก็มีแต่ความเจริญงอกงามไพมูลมาสู่ชีวิตของเรา เป็นมงคลสามสิบแปดประการดังบทพุทธมนในมงคลโสดที่เราจัดสาธยายพร้อมกันนักบัตนี้ อเสวันนายจะพานลายนาปันดิตาน้นจะเสวันาตุชายจะป่วยชายเนียย น, นาเดาทนมาคาลมมนจัมมันไปติโรไปเทสวาสุจะปม เพียจักตาโกนญาติผ่านตาสามมาปนิธิจเอตันมันคารโมนตัมมันผานหุสานจันเจเสบวินัยโยยจัสุเสกคิตตุสุภายสิตายใจยาวายเอตันมันคารโมนตัมมัน ลาตาปิตโอปายปานป่วยใต้ฐารากสาสันทบุตรอนายกุลัยจะกรรมันตายแัตาเมงละมวยตั้งมัน ทานานจะทานไม่จริยานตักานนันจะสังฆโหอนัววันชายนิการมาน ทะาละโมยตั้มาอารายเตียวิรายเตียราปามาจะไปนาจะสัญญาโมยอาปะมะถวยจะทานแม่สุเอตามาทาละโมยตั้มาทาระวยในวก่อน โดยทีจะกายตานยุตะกลายเลียนะธรรมมาสาวนรค์เอตามาคลรมุตตมาพันเตียจะสววาจาน สมนานานจะทานสันนการเลียนธรรมมาสาการเอตัมมังคลรมุนตัมมังตปัปปอมไมจาริยานจะปริยสานใจนทานสัณนนิพพานนสานเอตัมมังคลรมุนตัมมัง ท่าสโลยก็ทำไม่ให้เจตังสานการปฏิอสกังชัาเขมังเอตังกระบมยตั้งมาเงียตายที่สายไายในสาผานธ่งมปรัชิตาสาพานทศศึกขันฉันติ กาเตัตม ง, มตงมังขลามดตาไมนเต็ในสมัยที่พระพุท ธ, ธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เมืองภัยสาหีเกิดทุกพิขภยัยข้าวย่ามากแพงมีโรคไภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบีทาชาวเมือง เจ้าริชวีแห่งไทยสาลีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดเพื่อกำจัดภัยเหล่านั้นอันรวมไปถึงพูดภัยจากอมนุษย์พูดผีปีศาจที่สิงอยู่ในเมืองไทยสาลีพระพุทธเจ้าได้รับอาราธนาเสด็จไป ถ้าจัดภัยที่เมืองภัยสาหรีอันเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามระดูการเมื่อจะเสด็จเข้าไปในเมืองพระพุทธเจ้าได้สอนพระพุทธมนตอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อรัตนสูตรเริ่มต้นด้วยคำว่ายังกินเจวิตตังอิทวังอิทวาบุรังวาง สอนให้พระอานนท์ได้สาธยายและเสกน้ำพระพุทธมนต์ด้วยบทนี้แล้วให้พระอานนท์นำน้ำพระพุทธมนต์ที่เสกจากรัตนสูตรไปปรัพรมตามบ้านเมืองของภัยสาลีอันทำให้ขับไล่ พูดผีปีศาจรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บให้ปราศนาการไปดังนั้นท่านทั้งหลายจะพบว่ า, วาเมื่อนิอาราธนาประสงค์ไปเจริญพระพุทธมนตรจะมีขันน้ำมนต์ตั้งอยู่เบื้องหน้าองค์ประธานศพมีการจุดเทียนน้ำมนต์ และเมื่อสวดถึงบทนี้ประธานสงจะหยด น, น้ำตาเทียนลงในน้ำทำให้น้ำเป็นน้ำบนอันตว์สิทธิ์เมื่อน้ำไปประพรมก็จะเกิดการคุ้มครองป้องกันขจัดภัยพิบัติและนำความเป็นสิริมงคลมาสู่สถานที่และบุคคล ด้วยบทพุทธมนตที่เรียกว่ารัตนสูตรซึ่งเราทั้งหลายจะสาธยายพร้อมกันณนบัดนี้ ยังเกณฑ์เจวิตังงีททวารร่างวายสักเพียงวายังรรตานันปนิตังนโนยสมังขานตถาคตเจนนิทันเปโผลเถราตานันนิตังเงตินาสัจเจนัสุว ที่หอยตัขยัยราทาอมายตันเนียตังยาทานกายสากกยมุเนียงที่ตัวนันเตียนนัรนและสมาธิเกณฑ์เจีรมทามเมียไรตันังเนียตันเนยเตียนั่นสเจียนะ่สู วันหัวต่ยามพวดปริวันนเยสุเจริงกายที่มานันตาริกันยามาโหสัมมที่นายเตนั้หสมโนาเวชติธรรมปิังไรทั้นนังปณิตังเมเตนัสสัน ที่หอยตัเวเยปวดขาล้าท่าสาังตประสาทจัด ต, ตาเรียตายนิยุคายติเตยทากินายะสุขตาสัสสาวกาโสเทนนายในมหาลายนิธรรมปิสังไรตาย นางปเนตางาเต็เจ้าสุวรรณเถรตัวเยีโยชน์ตามนาสาทานเห็นนาเนียกามิน้อยพนจมสาสานามเต็มตาตตตาตมตาต ายหลัด ท, ทามุธาเนียูุเตงบม้ น, มานายธรรมปิสังเกตานางังปเนีต่างเงเต้ตน า, า ส, นสันนาสวัสี่หอยตกขีนังนวันนาทีิสัมภวังไราตาเจตายาติเกอ เเตเพียชาเวโรนิช <lawsuit> ันนิพพันติเทลาทายามไปเทีปวยมิสังเทรตานังตางเงาเตนัจวัจณสวัจเทวตุ เพื่อให้ปีใหม่ชีวิตใหม่เริ่มใหม่ด้วยการอาภัยกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันมีแต่การแผ่เมตตาคือความรักไปยังบุคคลที่เรารักยังบุคคลที่กลางๆไม่รักไม่เกลียดและบุคคลผู้เป็นศัตรูกัน ให้ลืมและให้อภัยกันเลิมสิ่งที่ขุนข้องมองใจในปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการอภัยและความรักต่อกันรวมทั้งแผ่ความรักเมตตาไปยังชาวโลกทั้งสิ้นทั้งปวงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้น พระผู้เเจ้าเจนสอนบทพุทธม อ, นอันศักสิทธิ์เรียกว่าการณียเมตสูตรสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาเพื่อทำให้จิตของเราอ่อนโยนต่อกันมีความรักความปรารถนาดีต่อกันโดยเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ ด้วยการสวดกรณียเมตตาสูตรอย่างย่อเริ่มด้วยคำว่าเมตตังจกสัพพโลกัสเมิงท้ายท้ายหมดซึ่งเมตตังก็คือเมตตาสัพพโลกัสเมิงแปลว่าให้ชาวโลกทั้งหมดพร้อมกันนักบัตนี้ เมตันจะสัพาโลกาสมิงปานาสัมไวเยยุปปริมาณนังทนถางาถอยจเตริยานาสัมภานทานเวระนัสปานตัง ท่านจะรักในเส้นห น, นวยวายสยาน่วายยาวายตายสวีกาตามิถุนต่านสตติงเททัยพระมามิาต่างเวหารัก อิทมาโอเทเินอนุปาคามาเซลาวาทาสัสนเดบปานน้ยกาเมตสุินาาเขทานในใจัาภาษายอังโณเรตติเตจากนั้นเราจะได้แผ่เมตตา ไปยังสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ร้ายได้มีเมตตาจิตต่อเราอย่าได้มาแพ่วผ่านขอสัตว์ร้ายทั้งหลายจงถดถอยไปด้วยเดชาุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ระดับใดอย่าได้มาเปียดเปียนบีทาเราท่านทั้งหลายด้วยการสวดขันทปริฤทิ์พร้อมกันอย่างย่อเริ่มต้นด้วยคำว่าอัปปมาโนพุทโธพร้อมกันนักบัด น, นี้ อปัมมาโนพูณโธอาปัมมาโมรรมโมอาปัมมาโนสังโอปัมมานวันนิเสเรสปานนิเยเวจิกาสตาปิเทปุระนาเปยสารพุทโมยสิกาไกตามิ รานคาตาตานเมียปาริ ป, เ, รรปเตี ย, ตยกามันโตโวยตายนิโส<ะ>นโมอรพะขาวตัวนโมอิสานตาันสามมาสามพุทธายนานบทต่อไปชื่อว่าพทุทธชังคะปะริศ หมายถึงบทโพชฌงค์ที่ป้องกันเราท่านทั้งหลายจากโรคาพยาธิทั้งปวงปเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาพาธคือประชวนได้ให้พระสวดบทโพชฌงค์นี้ก็หายจากอาการประชวน เมื่อพระมหาเถระอาพาธพระพุทเทเจ้าก็สวดบทพ่อชงให้ฝังแล้วท่านเหล่านั้นก็หายจากอาการอาพาธคือโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่อแต่นี้ขอให้อธิษฐานจิตสวดบทพ่ชงพร้อมกันเพื่อกำจัดปัดเป่าหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อย่าให้เมาแพลผพานตัวเราและบุคคลอันเป็นที่รักเริ่มแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยักษ์วรางกูลพระบรมวงศานวง และบุคคลทั้งหลายทั้งปวงด้วยการสาธยายโทษชังค้รบริศพร้อมกันนักบัณ น, นี พอดช่างโอยสติสังต่อยทรรม่นางวิจัยยอยาวิริยัเปรตป่าสารติพอดช่งนเจ้ทาท้าป่าเรศมาถูกเปรโพอดช่างทา่านสารเต่ สามพัดธาสินามุดินานมาทาคาตาพาวิตังพาวเลีกะตาสังวันเตอเพญญายาเนปายญาเจโพีิยาเอเตนาสันเจนาสอยที่เตหิโตสามพัทธา เทกาสมิงสมัยเทนทอมอขาลายจากกาสปานขีลายเทธงขี้เตียเทสวาร์พอดเทสาทใตเทสายเตียจะตังพินันทิตวารโรคคามดเจงสุตัง เตียนาสัต จ, จวันเชียนาสอดที่เต็มโพยตุสักพะทธเอกทานธรรมรายเปขเลานเ ย, ยนะเพเปลตอ จนทานนาตานแย่วัฒนนาเปตวันาสาธารังบ่อทิตวายอาภพาธทาตาพวดฐาสิธานาสอย นาซัตนาวันเชอนสอยทีเตโตสศัดพัทธาเอนไ เตียจะพาทาเตียนนำไปมาเหสินามเกลสาวปาฏตายโนปานไม่ต่างเตียนนาสายจะวาเชียนสอยที่เตียตุสภธาต่อแต่นี้ ใครที่คิดว่าปีใหม่เป็นปีชงบัางละปีไม่ถูกชะโลบัางละบทที่จะสวดต่อนี้ไ ป, ไปจะแก้เรื่องเหล่านั้นทั้งหม ด, หมดซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่ายันทุนนิมิตตัง หมายถึงนิมิตลางร้ายโชคร้ายคลอกร้ายทุนนิกขหังทุนนิกขโหงแม้กระทั่งฝันร้ายอย่าได้มากล้ำกลายมาเพล่วพานต่อชีวิตในปีใหม่ของเราด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ขอให้เราอย่าได้มีเวรมีภยัยมีเคราะห์ร้ายโชคร้ายใดๆด้วยการสาธยายอภยปริบพร้อมกันณบันดนี้ ยานทุนนิเมตังดาวามาคาลานใจย่อยจันนาปอยสากุนานสันททปปังปอยโทสุเปนการต่างพุทายเวนวินาสแมตตุยานนิเม ต่างละวางบังคาลันใหญ่ตาตะาปอ สะโกนานสทโทษปาปากหอยโทสุปีนังการตานทานมันเวียนวินานสะเมนตุยานทุนเมตต่างละวามังใจย่อยจะมาาปสะโกนาสสะทปาปข้หอยโ โซปนางาการตานกายนุภาเวนวินสังเมตโตต่อไปนี้เราจะได้อธิฐานจิส่วนบทสักกัตตวาหมายถึงการสักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ ถ้ารมนั้นเป็นธรรมโอสถรักษาความทุกข์ในจิตใจของเราให้พ้นจากโรคทานจิตใจมีจิตผ่องใสเพราะได้อาราธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณมาคุ้มครองป้องกันให้เรามีความเข้มแข็งด้วยบทว่านัตทีเมสารนัง และไม่วอกแวกไปเองอำ น, นาจศยาศาสตร์ใดๆถือพระพุทธพระธรรมผส์อย่างมั่นคงเป็นสาระด้วยบทว่ายา ง, งกินจิเป็นต้นซึ่งเราทุกคนทุกท่านจะได้สาธยายพร้อมกันในบัดนี้ สักกัตวาโพธารต น, นาโคยสัทธังตั ง, งวราริตันเทวมนุสานานโพธเตจนาโสทิน า, น า, ส, น า, นา ส, สัสสุปาทวัสเพธโทขัง ปัสัมมโตเตสาการตวามาพลาโอสัสถาง โ, โอนระราประโปสัมนมันธรรมมาเตจนาโซนที่นาณ ส, นานาสันตุปาทวานสั ม, ม ไปาวุยปสแมงโตเตสการตะวาสังรารตนาอยสาทางอวยตั้งมารังอหุนายางกาอุนายางสการแตะเชนสอด สันตปาทวาสซาเปะคาวอปสัมเณตเตนที่เมสรนังอันยพุทโธเมสารนังวรางเอเตนนัสเชนัส ตัวเตี้ยามังกาลานันทิเมสระนันยังทางมวยเมศราันเอตเตนันท์จวันตัวเตี้ยชามังกาลานันทิเมสรานันยังกวนเมศราันวะรัง เตยนาซาจาวันเชนตูเตชัยามังคาลันยานเกนเจรัตานางลอยเกนวิวิทางโพธุรัตานางพอดสมานนานทิตาสมานตูเตียนเกนเจรัตาน เวชาติวิวิธังโพธรัชตาธรามสมานนันทิตาสมาสเทียมภาวานันโตแต่ยางเกณฑ์ราตานางลอยเกียวติวิวิธังโพธิรตานางสานสมานนัทิตาสมานเทียง ภาวันตุเตบทต่อนี้ไปเป็นการสรุปพรทั้งปวงด้วยคำว่าทุกขับปัญาเป็นต้นซึ่งแปลว่าในปีเก่าที่ผ่านมานั้นใครที่ทุกขับปัญาที่มีทุก นิดทุกขาขอให้พ้นทุกมีโศกมีโรคมีภัยใดๆก็ตามให้พ้นทุกโศกโรคภัยเหล่านั้นทั้งปวงและเนื่อนจากได้ชุมนุมเทวดามาร่วมสาธยายในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้บัดนี้ถึงเวลา ที่เทวดาเหล่านั้นซึ่งมาทำให้สถานที่อันเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและบริเวณใต้เคียงศักดิ์สิทธิ์ด้วยบทพุทธมณฑลและบารามีของเหล่าเทพพยายดาอารักษ์ทันปวง ก, ก็จะได้ขออัญเชิญเทพพยายดาเหล่านั้น กลับวิมานด้วยเจตเมตตาสอดส่องด้วยทิพเนศคอยปกป้องคุ้มครองเราตลอดปีใหม่และตลอดไปด้วยบทว่าเทวตาอุยโยชนะคาถาหมายถึงการอัญเชิญเทวดากลับวิมานเริ่มต้นด้วยคำว่าทุกขับปัตตาพร้อมกันนับนี ทุกขาปัญตาจจเนโทกันภัปยปันตาจจเนภัายาโซกับปัญตาจจเนโขนต ซาพรปปานน่โนเอตาตาจามเพรสันตันปนยาซัมปทานซเพเทวานุปนทานตุซาสัมปาิเศธิยาตทานตุสัทายาลางลาทานตุซพพะทาวัน พิรตาโหณโตขัดตูแทวว่าตาข้าตาสซาเพรพุทตาพลาปาตาปาดเจกานันพลางารหันตาจ่าเต่เชนาราคันทางริสาพาโซ่เพื่อเล่นยำ ให้พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอำนวยพรและคุ้มครองป้องกันเราท่านทั้งหลายต่อแต่นี้จะได้อธิษฐานจิตสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพร้อมกันเริ่มต้นด้วยคำว่าอิปิติปิโสพระกวาณักบดีนน อิติปิสโสภาคาวาราสามาสามโทุกเวท ชายจรนสัมปานโสขโทโลอยกาวิโวทนโนตรวบุริสันธามไรทิสัทธ า, ทานเถวมโนสันธานโทผักวายติสวานทานตายธรรมโม สันเทียร์ก่ยลกายลีก่อยที่ปัสิ่ก่อยโอปัายีก่อยปัญจัต์ตังที่ตาบพยเวียนโยยเตสุปัญติปานโนภา้าว้ตัวสังวากันสันโพยติปานโนภาคาว้ตัวสังวากัน โนยพักข้าวไวต้อยสังว่ากาสร้างหอยเจ็บปานเปานโนยพักข้าวไวต้อยสังว่ากาสร้างหอ ตายริบหรีสยุการไอาบริสสปอดลาไอสภคักขตวสะว่ากายสังนได้ย บางดนายยศขินนายย อ, อันชเลย์เล่ย์ยศ อ, อโนโดยตารางปรยากต่งกางลยกายเสด็ต่อแต่นี้ถึงบทที่เรียกกันว่าถวายผ่อนรัก หรือเรียกกันว่าชยสิทธิคาถาพระโบราณอาจารย์ท่านเรียกถวายพรพระก็คือบทภาวุ่นเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายได้อัญเชิญชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพยามารต่อโจรองคริมารต่อช้างนาลาคิรีเป็นต้นรวมแล้วเป็นชัยชนะ 8ประการชัยชนะที่พระพุทธองค์มีทั้งแปประการนั้นเป็นเดชานุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเดชานุภาพแห่งชัยชนะทั้ง8ประการนี้จงอำนวยพรให้เราท่านทั้งหลายประสบชัยชนะ ต่อมารทั้งปวงซึ่งมีอยู่5ประการหนึ่งขันธมารร่างกายของเราเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขออย่าได้มีโรคไัยไข้เจ็บสองกิเลสมาร บางทีเราจะทำความดีมานคือตัวขัดขวางมาจากใจของเราที่มีกิเลสขอให้เราเอาชนะกิเลสมานได้บางทีเราจะทำความดีกรรมเก่าก็ตามมาหลังควานมาขัดขวางขอกรรมเก่าแห่งบาปทั้งหลายอย่าได้ตามมาแพลี่ผ่าน กรรมเก่านั้นเรียกว่าอภิสังขารมานสิ่งที่ขัดขวางคือกรรมเก่าบางทีสิ่งที่มาขัดขวางแม่เราทำความดีสำเร็จคืออำนาจของผู้มีอำนาจบาตใหญ่ทั้งปวงเราเรียกว่าเทวุตตมา น, มนเช่นเทพพยายดาในสวรรค์ชั้นที่หก ปารณิมมิตาวสาสวดีเป็นตน้นอำนาจตั้งแต่ชั้นนั้นลงมาจนถึงอำนาจในโลกมนุษย์อย่ามาขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จและประกาที่หมัจจุมานสิ่งที่มาขัดขวางคือมรณะคือความตายอย่ามากล้ำกลายมามาอย่ามาตัดร้อนบุญบา ร, รมีและความดีของเรา ด้วยชัยชนะที่พระเจ้ามีเหล่านั้นทั้ง8ประการขอเราท่านทั้งหลายจงมีชัยชนะด้วยบทภาวงที่จะสวดโบราณท่า น, านเรียกว่าถวายผ่อนพระเพราะสวดถวายพระเจ้าแผ่นดินฉะนั้นในการสวดนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ล้ำลึกนึกถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรบดินทรเทพพยวรากวูนถวายพระพรชัยมงคลด้วยพรพระแปประการให้ทรงมีชัยชนะเหนือมารทั้งห้านั้นทุกประการและด้วยเดชบารมีเหล่านั้นเราท่านทั้งหลายก็พลอยได้อานิสงแห่งชัยชนะเหนือมารทั้งปวงด้วยบทพรพระ ที่สวดพร้อมกันนกบันดนี้ภาหุงสาหาสสมาปิเนเมตตาสาวทานตังเมธาลาโคเทตคโสเสนมารัง นาทิธรรมวิธีนาวามุนินโทตเตชาสาภาวตุเตะมังคลายนิมารักกมามพิโยจิตสาพพรันโคระนาละวะกมาม ทายาคารันเตียตวิทีนาชิตาวายันเตียชาสาตูเตียชัยามังกาละ นินาลานิคเรงกาชาวารานตานิมาตะพวยตานทาวาขจานก้ามาสเนียวตานุนันตาเมตตันพุนเสกะวิธินาจิตาวาบุนิเหทวตชาสาภาไวตุเตชัยยมังลายนิโอดเค ข้ามัติฮานทะสุธารุรนานตาทาวัน ชนาปาทางกูลิมาวันตังเอเีปิสักภัยตามาหน่อยชิตตวันตันเาาตะชายสาภาวิตตุเตจายังมันทารานิตวายนากาศทารางีวะขับพินียเจนจายาโทนตาวันใจ ชานานกายามันเชีสันนาสอยมาวิธินาชิตาวโมเนทวิตันเตนสัะวัตุเตยใจมั น, นมมขาลาราชเนจังเวยยามาติสาสจักวาวายทาเพียว ตามาณติอันทพุยตางปันปัจเจปชาลีตอจิตาวันทยตานเตจัยสักภาไวตุเตจัยยามังกนนินานทพานัน ไม่เห็ น, ทนเท่งป่ยแต่นัเทงพระผู้ชาวยเท่งนัน่ง ท, ท่ามาปัญเอีทอยไปเท่งสวิตินายมูนิทอยตันแตชาสาม พาลายเนทุกขออ้าัเทียนจะเขียนั่สุธ า, ธ า, ทา์ ท, ท, าทานทานพราบวังเวศนิเมตเทพการทายนันยายนาวิธีนาชิตาวามุนินตานเตชะสา ไร้เนือดตาไม่พอยท่ายชยมาคพละอันตทายโยยวายที่ไหนที่เนศสรเต่ไม่ตานฮิตาว า, ายในเนศกวิธทะนจุ ป, ปายทวายในโมกกลาัไอทีข้ามัยยาน้อยสปัญโย ต่อแต่นี้เป็นการสรุปให้ชีวิตของเราประสบแต่ชัยชนะตลอดไปก็คือชัยชนะเหนือมารทั้งห้าและชัยชนะต่ออุปสรรคอันต ร, รายทั้งหลายทั้งปวงคำว่ามารมีรากศัพท์มาจากคำว่ามรณนะคือความตายมารคืออุปสรรคผู้ฆ่า ความดีไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งใดก็ตามถือว่ามารทั้งสิ้นบทต่อไปนี้เป็นการอําหนุยพรให้มีชัยชนะเนื้อมารพุกประกาศมารภายในคือกิเลสและมารภายนอกทัางปวงด้วยการสาธยายชายปริต หมายถึงบทปริตะคุ้มครองป้องกันด้วยชัยชนะชัยชนะคืออ้างถึงวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นศีมหาโพธิมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ต่อพระยามารและมารทั้งปวงโดยเฉพาะกิเลสมาร จึงประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตอันใดในปีใหม่ก็ขอให้เอาชนะอุปสรรคอันตรายมานทั้งปวงและประสบความสำเร็จนั้น โดยผ่านด้วยบทชัยปริศซึ่งจะเริ่มต้นด้วยคำว่ามหาการุณิโกจบด้วยบทภาวตุสักและมีคำว่าเอวันตะวันวิชยโยโหหิซึ่งโดยทั่วไปพระจะสวดบทชยันโต เวลาอำนวยพรหรือเริ่มงามยามดีครั้งจะสวดชยันโตอยู่ในกลางบทชัยปริชชัยยันโตหมายถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพยามารเอวันตะวันวิชยโยโหหิชัยสุชยมังคาเลพระพุทธเจ้าชนะพยามารฉันใด ก็ขอให้ท่านได้มีชัยชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งปวงฉังนั้นและเมื่อเราสวดเองก็เท่ากับให้พรตัวเองให้มีชัยชนะอำนวยพรให้บุคคลอันเป็นที่รักรวมทั้งประเทศชาติของเรามีชัยชนะข้ามพ้นอุปสรรคศัตรูทั้งปวง รวมทั้งเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัก์วรังกูลพระบรมองสานวง์ทุกพระองค์ด้วยบทชัยยักษ์ปริศที่จะสาธยายพร้อมกันนักบัณ น, นี้ มหากายรุนิโกยนาทงอิตายสยตายผ้าปายนางปูเรตวาปะร่าเมสาผภาปายโตสามพวยเทมตตั้งมังเตียนาสัตเชนนาหอยโตเตยชายามังลางชัยามตัวที่ Yeah, b o เอกายนานาทิวันธาโนเอวังตะวังวิยวยชัยโยนยิชัยยสุชัยามังขะเลอปารายชิตปันลางแกเสวิปปะคะเรเสแกสัพะพุทธายนางาคา ตัวประโมยทัつつつつิิทโซนาคตังสุปังะละสุปาภาาตังทิตังสุขโนอยสุโมหิตต้จะสุเยตทางพรามจาริสุปัฏฐานจ้ากรรมปัปฐานที่นาน ตัวกรรมมาประเดี๋ยเแต่ะ ขนาไปทางินานการตงนาราานตาเท้ไปทางนะ yup. ินิภาไวตุสาพมังรากขัน <onscious> ต <abroad avía> ุสาไปเทพาตาพพุทธนุภาเวทาสอดเทวันตุแตภาไวตุสามังขาลงราก ขันสาภัยเถาวัลตาทำไม้นุภาเวนัยใสสดเถาวันตุเตียงอตุสาภามังกาลังขันตุสาภัยเถไวัลย์ตาทำไม้นุเวนัยใสสดเถี ภาวานันโตเตมรวมอนุภาพแห่งบทพระพุทธมนทั้งปวงมาคุ้มครองป้องกันเราท่านทั้งหลายและอํานวยพรให้เกิดความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเราจะสวดพร้อมกันเป็นบทสุดท้าย เรียกว่าเป็นการสรุปสรุปอนุภาพแห่งบทพุทธม์ทุกบทที่สวดมาซึ่งบทพุทธม์ น, นั้นได้กล่าวแล้วว่าเรียกว่าปริตตเพราะฉะนั้นบทต่อไปนี้เริ่มด้วยคำว่านักขัดตยักษ์คาภูตานันก็คืออ่าน อนุภาพของสิ่งที่เป็นมนุษย์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาผูดผีปีศาจทั้งหลายพร้อมทั้งมแม้กระทั่งบาปเ็าะทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีพูดผีปีศาจที่ไม่ดีเพศภัยทั้งหลายให้ ราสนาการคือพ้นไปและให้สิ่งที่ดีงามพลันสำเร็จด้วยอานุภาพแห่งพระปริศที่เราได้สาธยายพร้อมกันมาตั้งแต่ต้นจนอวสานด้วยการสวดบทสรุปแห่งการสวดมนต์พร้อมกันเรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีนั้นด้วยบทต่อไปนี้ นาคัดไตยาข้าพ่วยาตานังป่าข้าหนิวารนาปเรตัสลุพาเวนหันตวันแต่สังโอปันเทเวนนาคัดไตยาข้าพ่วยตานังป่าป่าข้านิวา ร, ร, าาราวนา ตาสานุภเวนันตวันแต่สังปาญทวเวนันขันติยถ้าพวยตายนางปาปัข้าานิวารณาปารตาสานุภาเวนันตวันแต่สัง ปทเถวเอขอท่านทั้งหลายได้สงบจิตใจอธิษฐานจิตต้างอำนาจแห่งพระปริษ์ทั้งปวงเป็นอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันและอำนวยพรโดยอธิษฐานจิตถ ว, ถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรร์บดินทรเทพยวรางคูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงพร ะ, กะเกษมสำราญเจริญพระราชาศิริสวัสดิ์ทพัฒนางคลพระชนมสุขทุกประการ สถิตในมหายสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระม่องของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดเจรัฐธิติการเด่นขออธิฐานจิตในเวลาอันสมควรพร้อมกันและอํนนวยพรให้ตัวท่านเองญาติสนิทมิตสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นทุรัก และประเทศชาติของเรามีความเจริญสุขสันติทุกที่ภาราตรีการพร้องกันตามเวลาอันสมควร